ได้ชินักบวชว่ามาเป็นักงบวชให้ถามก่อนจะขอ้านบ้านะอนเอ่อข้าน้านจะท้นานไจะไปอยู่อุกเชนีใช่ป่ะจะไปขอที่โหนไม่ทมเายาได้เอไเข้าไปเรียนที่นัรอเข้าไปดูและครับ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 ให้เราคอรู้ไปรู้ทันความปลุกแต่งเราอย่าไปช่วยเขาแต่งการช่วยแต่งมันมีสองพวกใหญ่ใหญ่พวกหนึ่งเป็นปลุกแต่งกับปลุกสนคิดเรื่องไร้ไร้คิดเรื่อ ง, ค, องคนโน้นคนนี้อะไรอย่างนี้ไปคนน้นก็เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เวลาอยู่ร่วมกันเนาะเดือดรอนอีกพวกหนึ่งปลุกแต่งกุบสนเ้าะพยายามจะทําไม่ได้ อยากบรรลุมากคนลแล้วก็พยายามตุ้มเทอยากทําให้ได้พยายามบังคับกายพยายามบังคับใจทํำยังไงก็ไม่ได้คุณคนละเรื่องให้สีบอลทำก็ง่ายๆเลยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกทําแค่รู้สึกเท่านั้นรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยร่างกายจริงๆเคลื่อนไหวตลอดเวลารู้สึกไหม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 แค่รู้สึกนะแต่ถ้าคิดจะทําให้ดีแล้วก็เสร็จเลยเหนื่อยเหนื่อยยากมากมายอย่าปรุงแต่งสิ่งที่ดีแล้วปรุงไปเรื่อยๆเลยวันหนึหมดแรงปรุงก็หมดแรงปรุงแต่งใจหยุดความปุงแต่งแวบเดียวก็เข้าใจแล้วใจเราจะไม่ยอมหยุดมันจะยอมหยุดจริงๆแต่เมื่อมันหมดเรื่องหมดแรงหรือมันยอมจํำนวนหมดแรงอย่าง ยังไม่หมดดีนะมีกหล่งเยอะมีน้องสาวก็ไปเป็นลูกสาวของพอมนตรีนี่เลยมาเป็นลูกสาวของพ่อประมุขวะเดลอยแนละ้วไม่ขีนทราบไหม <c oughs> ไม่บังคับไห้รู้สึกไหมเขารู้ว่าใจรอยเริ่มบังคับเนี่ย <c oughs> สุดโต่งสองข้างเนี่ยไม่เอานี่ไม่เอาทำยังไง ไม่ทำอะไรใจมันลอยรู้ว่าใจลอยใจไปบังคับรู้ว่าบังคับใจลอยก็อย่าไปอยากให้มันหายนะมันบังคับก็อย่าไปอยากให้มันเลิกบังคับรู้รูปเดียวอะไรที่เกิดอจากรู้นะนะั่นแหะเกินหมดละเป็นส่วนเกินทั้งหมดเลยแต่รู้รูปเดียวยากนะ <c oughs> มันอดทาไม่ได้มันต้องทำไปจนนาทีสุดท้ายนะทำไ่เรื่อย พอไหวไหมร่างกายเส้นไหวรู้สึกฟังม่ือนง่ายขาด้อย่าทำผิดมันยังเป็นธรรมที่เีวเออนะนไม่ฉีธรรมไม่ฉีรู้ไปเลยว่าทําเช่นมันทําอุสนก็มันเผลอไปรู้ว่ามันเผลอไปมันทํากอัุสนมันจงใจปลอบนี่มันทํากอัุนนะทรรมับดุสนมัไม่บรรลหรอกข้านนท์นะ ท่านปฏิบัติลำบากวัะนั้นพูดให้เจ้าเอกฟังเอโดนหลวงพ่อท่านเร่งเร่งเลยเครื่องจักมีแรงกดดันนะถ้าทำไปตามธรรมดาถ้าสบายสบายไม่ถูกกดดันเราเคยมีท่านหนึ่งถูกกดดันรุนแรงที่สุดคือท่านา น, นนท์ทานนนท์นะรับใจพูดให้เจ้ามาหลายสิบปีแต่พูดให้เจ้าจะนิพพานร้องไห้เลยรพระองค์นิพพานร้องไพรจะสอนเนี่ยพระองอยู่ยังไม่ได้นะิพพานร้องไพรจะสอนให้ได้ลนะ เจ้าบอกว่าได้สร้างมาเยอะแล้วต่อไปนี้ก็ให้ทำเอาฝึกของตัวเองไม่นานก็ได้เราตัวนี้ฉันไม่ได้บอกนะได้วันนั้นมันนี้ในไม่ช้าก็จะได้นี่เป็นแรกดดันนที่หนึ่งไม่ช้าก็จะได้ใครๆเขาคาดหวังถ้านนเป็นเลขาส่วนตัวพฮ้เจ้าต้องเก่งต้องดีต้องฉลาดเพราภาระก็เยอะด้วยวนชอบอายุกับท่าน ท่านไกลชิดเลยใเนี่ยงานไปเยอะแรงกดดันไปเยอะแรงกดดันที่รุนแรงที่สุดอีกอยก่องายงหนึ่งก็คือกําหนดการสังขยาณาพระมหาคัศปากําหนดอีกสามเดือนหลังจากปรินิพานจะสังขยาาโอ้หนี่หนักนเลยนะอนนี้พอท่านจัดการศพพระพูดให้ใช่นี่ยก็งานหนักนะเสร็จภาระข้างนอกทนะ่านมันก็ลงปฏิบัติลงมือปฏิบัติในท่านไปพิจารบอกไว้เลยว่า กระท่างถึง ค, คือสุดท้ายนะีท่านยังราตรีในคือสุดท้ายแนละ้วให้โลงไปด้วยกายยัคตาสติเป็นส่วนมากกายยคตาสตินี่ไม่ใช่สมถะ น, นะนกายคตาสติที่ท่านรู้สึกกายรู้สึกกายมีคนอายุ80นะคงไม่เดินทั้งวนะันทั้งคืนนะท่านคงเดินมั่งนั่งบ้างท่านจะต้องเร่งเพราะว่ากำหนดนการจะถึงยัยงไม่ได้ ทำทำทำไปก็ไม่ได้แล้วได้ก็ช่างมันแล้วจะนอนนะนอนนีงไม่ใช่เลิกปฏิบัตินะว่าถึงเวลาจะต้องคับถึงเวลาจะต้องคลั่กถ้าใส่ก็เดินมาที่เตียงท่านถ้าใส่ผิดดกไม่ได้บอกว่านอนเตียงนะจะมาทดลองดูต้องนอนเตียงนอนคืนไม่ได้เพาถ้าใจผิดดงใช้คำบอกว่าท่านเอียนกายลงนอนเนี่ยศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจับพื้น เป็นเตียงนะั้นต้องแคบแคบเอลงไปทาคคออ้าก็คนเืินเงี้ยเนี่ยพอเอลงไปในขณะนั้นนม่ได้เลิกปฏิบัตินะพวกเราชอบไปคิดว่าถ้านอนุษย์ุก็เลิกปฏิบัติแท้จริงก็คือให้หมดความเจองใจในการปฏิบัติท่านเอตัวลงไปท่านไม่ได้เลิกปฏิบัติแต่ท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องที่สุดคือ ท, ท่านรู้สึกรู้สึกถึงรูปที่เอลงไปาการรู้สึกถึงรูปนี้ก็ต้องรู้โดยที่มีนามด้วยใจเป็นคนรู้ การแยกรูปแยกนามจําเป็นพวกเราที่เคยฝึกเนี่นไม่เฉียดมันจะเหลือรูปมันเดียวฝึกไปแล้วไปเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งค้องเพ่งเท้ามันจะเหลือรูปมันเดียวไม่มีนามถ้าไม่มีรูปไม่มีนามก็เรียกว่าเจริญปัญญาไม่ได้ขาดนามรูปปฏิเชษพยานมันจะถ้าเห็นรูปมันนั่งอยู่ใจมันเป็นคนรู้อย่างสายอธิธรรมบางสายเขาจะสอนกันรูปมันนั่งใจมันรู้นามนรู้ นั่งเป็นผู้รู้เป็นนามนัม้นก็ชอบฟ้องานะถ้ารู้สึกเราก็ใช้ได้ถ้าฟ้องเราก็ใช้ไม่ได้เป็การไป็นนึกถึงอารมณ์ปรมัภิษฐ์ไม่ใช่ตัวรู้สึกหรืออารมณ์อเไรที่าราหมดความโจรใจจิตก็รวมมาตัดตรงนั้นนะตัดเพราะฉะนั้นมรรคผลมันเกิดได้ตรงที่จิตหยุดความปรุงแต่งมันไม่ให้เกิดได้ตรงที่เราปรุงแต่งให้ดีถ้าหนวดก็ปรุงแต่งดีมาตลาดทคืน เดี๋นอาล้เลิกแล้วไม่ทําความเพียรแล้วจะนอนรู้สึกตัวออกไปในมิริยาบนที่เคลื่อนไหวแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกเจะสําคัญนะ <c oughs> แล้วชอบทำมากกว่ารู้สึกที่ชอบเพ่งชอบกําหนดชอบปรัปลองพวกนี้ก็เผลอไปเลยเผลอไปเลยใช้ไม่ได้เผลอไปเลยเนี่ยเจ้าไปอบายเป็นใหญ่เผลอไปตามกิเลสเพ่งเอาไว้บังคับไว้ตระปองไว้ควบคุมไว้ ไปสุขต you know, ิแล <laughs> ้วเป็นคนดีไม่ชี้เป็นคนดีใช่ไหมผงไม่ตกนรกเนาะรอดไหมเหตุยังฝันร้ายไหมเวลาฝันร้ายแล้วสติเกิดไหมแล้วเราก็สอบเองดูถ้ายังฝันร้ายโอ้เห็นกระสะกองแรงแล้วโอ้กลัวสยนดสยองนะไปได้แน่เลยถ้าฝันหน้ากลัวปุ๊บรู้เลยว่ากลัวไม่ไปละ ถ้าคุณชัดผู้อาวุโสว่าไงป็นชัดขยันไหมบ่าขยันปฏิบัติไหมอยู่นี้ไม่ค่อยเจอนดีดีดีดีแล้วใจโล่งว่างไปเรยถ้าคุณบุพภาล่ะคุณบุณพภ า, า, พ า, า, พ า, าเก่งมากนะยังเก่งอยู่ไหมอตาองกระดุกกระดิกแล้วนะ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 แตมาเองขัดแต่ก่อนนะหาดดูจิตเรื่อยๆแต่ร่างกายกระตุ ก, กดิกนะั้นคอยรู้สึกนะรู้สึกมีวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินมาดีใจนะจะไปคุยกับเขาข้าวขาจะไปคุยขาขยับปั๊บสติเกิดแล้วรู้สึกนะในหรวงอ่อที่ท่านให้มีวิหารธรรมก็เพื่อให้สติเกิเดเรื่องๆแล้วนี่งั้นถ้าคุณบุคคาไม่มีวิหารธรรมเราก็ดูไปตามยาถา ก, กรรมอะไรเป็นตามยาถา ก, กรรมนะ้หาเครื่องยืนเลง เรากายเป็นเครื่องอยู่ก็ได้เอาเวทนาเอาจิตเป็นเครื่องอยู่ก็ได้เครื่องอยู่หมายถึงว่าเราไประลึกถึงบ่อยๆถ้ายังไม่ชี่เข้าสำนักเดินเราก็เดินนะพอหมดแรงเดินเราจะนั่งเราจะยักหน้านิดๆเราก็รู้สึกจะหันหน้านิดๆหน่อยๆจะกรอกตาจะอะไรรู้สึกแต่ไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะใลรใครกินกับ รู้สึกกับเข้งไม่เหมือนกันนะแม่ฉีจิตเพ่งมานานตอนนี้แค่แค่ออกมาได้ก็บุญหูแล้วนะจิต <c oughs> เพ่งเดี๋ยวจะไปปรุงเวโลกแต่ถ้าเพ่งไปเราก็ทุกไปเพ่งไปเครียดไปมันจะไม่ไปปรุงเวโร่จะไปที่อื่นเไปทําอาชีน ก, กรรมที่มีสตะทเนืองเนือจิตเป็นทุกข์เนืองเนืองปฏิบัติจนตกนรกเคยได้ยินไหมตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเนะี่ย ลำบากท้างในยังไม่ตายนะถ้าคุณบุญขาไปร่างกายเคลื่อนไหวไปรู้สึกเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนักงดูจิตนี่นะเอากายเป็นเครื่องอยู่ก็ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวไปเพ้งจิตส่วนนั่งดูกายนะเอาจิตเป็นเครื่องอยู่ไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวได้ไม่เพ่งกายเอ้ารีนว่าไงรีนเห็นกระหน่แล้วรู้สึกยังไง อะไรนะอมือไวกว่าติดด้านขายขนมอยู่ชาเชิงเทาที่บ้านทาขนมอร่อยเดินไปชิมไปเลยเวลาอยูว่าเรานัตาอะไรเยมันจะเหมือนกับเพิ่ดาบหายเลยวมมันเหมือนหลักนะคะสั้นๆป่ะ สันหรือยาวนะจ๊ะแต่ช่วงมันไม่ยาวไม่ยาเหรอแต่บางครั้งมันก็คล้ายจยาวนะเพราะคนนอกบอกแแราบอืมมันจะมีอาการอะไเหมือนก็เหัเราเหมือนหลับสุายจริงๆแล้วธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นจิตเนี่ยเมื่อขึ้นเสวยอารมณ์ปเสรยฐอารมณ์เต็มที่แล้วจิตจะตกะวังของเราที่นั่งอยู่เนียจิตตกประวังตลอดเวลาขึ้นมนตกแว๊ขาดช่วงเล็กๆอะไร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 นั่นและมันจะขาดเวลาสวดมรู้สึกไหมคนมันจะขาดปั๊บแล้วก็ต่อไม่ถูกต่อไม่ถูกเลยไม่แน่นอนนั่นเป็นธรรมชาติของจิตตอนสติเราว่องไวนะคนที่สติไม่ไวคิดว่าตัวเองไม่เคยถือเลยแต่คนที่สติไวเห็นมันขึ้นร่างอารมณ์สั้นนิดเดียวสวดมนคำสองคามันก็ดับนะ้ขึ้นมารู้สึกใหม่ต่อได้บ้างไม่ได้บ้างบังคับมันไม่ได้สัญญามันไม่เชื่อง เฝ้ารู้เข้าดูไปนะคล้ายๆคนบ้าน่อยเลยจะเห็นเลมันเกิดระ้ดับเกิดระดับถ้าเวลาถาเลเนี่ยมันจะแก้ายยไงนั่นคือคืออางช่วไปนั่งฟาเทศผู้นี้น่ะก็คนดูมันเยอะแยะก็เอ๊ะไม่ดีนี่นั่หลับอูเวยเยอากเลเราลืมตาไว้ปะืมตาอยู่งไงมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ขีดป็นเดินของมันอย่างั้นเองนะแก้ไม่ได้หรอกให้เข้าหัวเราะไปช่างราบเขาบาปเองเราไม่เกี่ยว แต่บา ง, ค, นนะงครั้งนะคะที่ให้เห็นชัดเจว่ามันเหมือนเราเราขาดเรื่องไปมันเหมือนคล้ายเราขาดหายไปที่ไม่คาดบรรดารไม่นานแล้วลองคิดก็ไปถามคนที่ด้วยกันให้ทําทําดูมันเหมือนก็นดนได้ฟังโคแต่บางครั้<ด><า>งบางั้ก็ไม่ค้งบางครั้งก็รู้ว่ามันมันเลื่อนเลยเออช่างมันจะเล่าอะไรให้ฟังแต่เล่าแล้วฟันคิดมากเะแล้วทำของเราปกติอย่างนี้เลยเมื่อปีสองโควิดมีคนหนึ่ง นั่งดูจิตไปด้วยดูจิตที่ไม่เคยเคลิ้มเลยนะ่เคยหลับเลยปรากฏว่าพอหลังวิสาขกหลังวิสาข า, า, ขาปีสองหกนี่นะดูแล้วก็เคลิ้มลงไปตลอดเลยขนาดเดินจงกรมก็ยังเดินเคลิ้มลงไปได้นะนั่งขับสมาธนะิเพชรนะเดินเจ็บนะก็ยังเคลิ้มลงไปได้โกแก้กยังไงก็ไม่หายทำาังไงก็ไม่หายคนนี้ก็มีโอกาสไปชิใหม่ ไปกราบหลวงปู่สิมมันอาสันหะเนี่ยที่อยู่สองเดือนคือเดือนกว่าๆที่ว่าจิตลงตลอดเลยลงระวังไม่อยากขึ้นเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอนั่งทุก๊ายและนั่งตึ้งไปแล้ะเคยนั่งจิตรวมเนยหัวก็ไม่โงกเงี้ยคราวนี้นั่งหัวตุ๊บหัวซุ่นเลยบางทีมือไม้ตกอย่างงี้ยไ่ไปกราบหลวงปู่สิมถามหลวงปู่สิมบอกว่าให้หลวงปู่ทำไม นั่งแล้วตุ่ตบผวางเรื่อยๆไปแก้ยังนนขนาดนั่งขัดเทปแบบหลวงปู่สินสอนไม่ ต, อนนต้องบเลยหลวงปู่สินยิ้มหวานบอกว่าผู้รู้ผูรู้ผู้รู้จะมาถามใครทําไปเถอะอย่าสงสัยทาไปเถอะแล้วได้ของดีเองอะ่ะในพรรษานี้นะ่ะคนที่ฟังท่านตอบอะไรก็ไม่รู้เรื่องนั่งรถทัวกลับกรุงเทพนะ นั่งร้อตัวกลับกรุงเทพมาจิตมันค่อยถอนเราถอนเราที่เคยตกนั่ง ก, กุ๊ตกก็เริ่ม ห, àng, ห, àng, ห, àng, ห àng. ่างห่างห่างหางพอ ห, àng, ห àng า่างห่างว่านั่งร้อตัวมาถึงบางเขนถึงหลักสี่จิตมันรวมเข้แล้วมันตัดเลยในวันรุ่งขึ้นจากที่ท่านบอกเองเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่วินจิตวิจิตพิสดารจะยุ่งกับมันไม่ได้นะจะบังคับมันไม่ได้นั้นใครก็หัวเราะก็ให้ก็หัวเราะไปเถอ เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องงเราเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาปวดรอแปลว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรหรอไม่ต้องนะรูไปด้อแก้ไม่ได้หรอกแรู้ว่ามันงไแล้วก็ต่อไปอ่ะเดินจงกรมมันยังรุบเลยใ่่้เป็นบางทีนะคะมันเหมือนจบอพอแล้วพอแล้วเพราะนั้นเราไม่รู้าไปไหนเออพอแล้วนะอย่าคิดมากนะไปทาคิดมากเดี๋ยวจะยากนามันเป็นไงช่างมัน ใจถึงถึงไหมคือภาวะของจิตเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งของการปฏิบัติมันจะเกิดนิพพายายนที่รุนแรงมากมันเบื่อโลภะทาตเบื่อรูปเบื่อนามเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะรวมเข้าไปเรื่อยๆแล้วพี่กำลังมีสติไปเรื่อ ย, อยอสติรู้ไปเรื่อ ย, อยมันเป็นยังไงช่างมันอย่าไปยินดียินร้ายกับมันเนี่ยให้ใจเป็นกลางกับมันไว้ เพราะงั้น ม, มันจะลงระวังใจก็เป็นกลางกับมันไวเป็นลกลางไวใจเป็นกลางจริงๆตรงนี้เป็นประตูขผมมักฝนไม่ใช่ตรงที่ตกระวังเป็นประตูนะตรงที่เป็นกลางให้เป็นกลางไวรู้รูปเดียวห้ามคิดมากนะยืมทํำโมกุลสิมาใช่ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จะมาถามใครหยบใครหยิบใครหยิบอ่าใครจะส่งกันบ้าน วันนี้ทำไมมาเยอะเนาะทีนี้วันธรรมดาคนเยอะกว่าวันสาร์อาทิตย์คนหนีเสาร์อาทิตย์มานะวันนี้เลยเกิดปรากฏการมาโดยไม่ได้นัดหมาเยเป็นเก่งไหมมารู้จักกันทั้งนั้นะส่วนใหญ่รู้จักกันหมดอะเราจะมีเพื่อนมา <c oughs> ไม่บอกเพื่อนแล้วมาเจอกันที่นี่เวลาเพื่อนถามูจะมาเมานะื่อไหร่ละยังไม่แน่หรอก อ้ามอ๊มไม่กอดแล้วมาเจอที่วัดน่าจิดเมื่อไงส่งกันบ้านก็อาทิตย์นี้หลงมุทิเลตตลอดมันไม่ทันไป ท, ทำตลอดแล้วก็เอ๊อยากเห็นอยากอยากรู้เป็ น, น, <อ>ปนยังไงเออนั่นแหละหลวงพ่อสรุปไปแค่นั้นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มีอยากตรงเนี้ย เออเอคือสภาวธรรมเนี่ยอันไหนรู้แล้วก็หลอกเราไม่ได้อันไหนยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลอกได้คนทั่วๆไปก็ถูกสภาวธรรมฝ่ายอคูสนหลอกเป็นถูกความโกรธหลอกเขาจะไปสนใจไอ้คนที่ทําให้เราโกรธถูกความรักหลอกก็ไปสนใจคนที่เรารักนี่มีแต่ถูกหลอกไม่ถูกอกูสนหลอก นักปฏิบัติเนี่ยอกุศลหลอกยากมันเอาอกุศลมาหลอกเราเช่นอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเป็นที่เหร่แลนะ้หาทางัะเนี่ยนี่มันเสริมหอยจะทําไงดีส่วนมวนอยู่สองสามสามโลไปแล้วแวบเป็นธรรมดาจิตมันสองเกิดแบบนี้ถ้าเราไม่รู้ทันตะ ว, ว่าอะไรที่ยังไม่รู้ทันเราก็จะต้องไปต่อสู้กับมัน อันไหนรู้ทันนะมันก็เอามาหลอกไม่ได้มันก็เก็บไว้ก่อบเอาตัอื่นมาหลอกใหม่พอหลอกๆไปสักพักหนึ่งนะให้เราลืมลือเม็ดตัวเก่านะเอาตัวเก่ามาหลอกได้อีกนะฉะนนกระบวนการของกิเลส น, นะมันก็หลอกเราไปเรืเ่อยๆเอากิเลสมาหลอกตรงๆไม่ได้ก็เอาปู่สนมาหลอกอาความอยากดีมาหลอกกิเลสในขั้นละเอียดนั้นหน้าตาเหมือนกูศสนมากเ ตอนหลวงพอเคยไปปราบหลวงปู่สุวรรณเป็นแล้วใหาฟังนท่านมาจากอเมริกาไปปราบท่านโอ้จิตท่านทําไมเป็นอย่างนี้เนาะจิตเราทําไมไม่เป็นอย่างนี้จิตเรายังทํางานอยู่อยเอามัายิมมาดูวางไม่ได้จิตท่านทําไมวางได้แบบครูบาาจารย์นี่ดีที่สุดเลยวิเศษที่สุดเลยเมื่อไหร่เราจะได้อย่างท่านเนาะหรือต <c oughs> ้องมีเฉลียวใจมากเลยอ่านี่มันกิเลสนี่ มีท่านมีเราขึ้นมาแนละ้วท่านดีเรายังไม่ดีเราจะเอาอย่างท่านเห็นกิเลสทันปับ๊บตัวนี้หลอกเราไม่ได้มันก็เอาตัวอื่นมาหลอกนะเช่นเราปฏิบัติตัวที่หลอกเองิงต้องโดนแน่นอนตัวปัญญาตัวสภาวะนี้อะไรนะเห็นแล้วละ่ะแต่ยังไม่แจ้งยังไม่แจ้งยังไม่ปล่อยขอกัดติดไว้ก่อนต้องเรียนรู้ให้แจ้งแจ้งแล้วถึงจะปล่อยตัวนี้จริงๆไม่ใช่สัญญา วันนี้จริงๆคือบุญคัดจัดคือความพุ่งสร้างของจิตคันๆอะไรนะอยากรู้คือความพุ่งสร้างของจิตหน้าตาเหมือนปัญญานะหรื อ, อยังมานะเนี่ยหน้าตาเหมือนศรัทธาเรื่องไส้คูบาจารย์หลอกสนิทนะเพื่อนพิเลศถ้าดูขั้นละเอียดนะหน้าตาเหมือนครูสอน้าวันนี้เดินมากขึหน่อยเดินจงกรมเยอไหนเดี๋ยวสรูบาาจารย์จะถาม มีจะทำมากเป็นพิเศษแหละแต่ว่าเป็นเจตนาช่วงไม่ใช่เจตนาดีแต่จะทํานะใหกิเลสพอละเอียดนั้นหน้าตาสวยงามนะแตอยางเอ้เอ้ทาเรื่องผิดสักหน่อยมันเหมือนกับพอพอเราเริ่มคิดว่าเอ้ถ้าทําไปเราจะเริ่มถอยมันก็ูกหลอกนะมันก็แอเอิดหลอกถูกกิเลสหลอกนั่นแหละถูกหลอกเออแล้วก็เนี่ยถูกหลอกซ้ำซ้อน กำลังฟงซ้าขึ้นใหม่เลยรู้รู้โลกปัจจุบันเลยรู้โลกปัจจุบันรูปเดียวเลยรนะู้อย่างที่มันเป็นมันจะมาไมา้ไหนนะรู้รูปเดียวนะคาถามรู้รูปเดียวนี้ใช้ได้นะคนชอบมาถามปัญหาหลวงพ่อถามเบื่องง่นเรื่อ ง, น, งนี้โว้ยเบื่อหลวงพ่อเลยเขียนให้อันชื่อสารพันปัญหาของผู้ภาภาปฏิบัติรวบรวมปัญหาทั้งหมดเลยตั้งแต่ปัญหาโลกแตกบางคนจะมาถามหลวงพ่อครับผมอยากถือศีลสิ่งครับ ผมไม่สบายเนี่ยผมกินยาเข้าไปฆ่าเชื้อโรคตายจะป้าเลยอยากดูว่าเชื้อโรคมีจิตไหมให้หลวงพ่อช่วยดูเลยเชื้อโรคคนที่มันมีจิตไหมถ้ามันไม่มีจะได้กินยาบอกมว่ามจะบ้าเนาะมันเรื่องมากไปกินยาเนี่ยไม่ใช่กินยาเพื่อจะฆ่าเชื้อโรค ก, กินยาเพื่อจะระงับภุกิเว้นานี้ ให้จะให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ปฏิบัติทำต่อไปบทพิจารณาย า, าก็มีแค่ต่อไป น, นี้เราจะกินยาฆ่าเชื้อโรคให้สิ้นซากเนี่ยพิจารณาเชื้อโรคตายจะได้จะดีใครก็ไปพิจารณาเนอนะนะรู้เรื่อยๆนะอย่าถูกหลอกรู้โลกปัจจุบันรุ่เดียวอย่าคิดมากหลวงพอเขียนไว้กี่ปัญหากี่ปัญหานะคําตอบมีอันเดียวเลยรู้ไว้ เราไปอ่านดูได้นะไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรรู้ไหมรู้ไหมงั้นมาเรียนที่นี่นะหลวงพ่อไม่ชอบให้นั่งถามเดี๋ยวนี้ชอบถามเดี๋ยวนี้ไม่ให้ถามนะถามมากเขไร่สาระถามแต่เรื่องอาการของจิตนะจิตเป็นอย่างนี้จิตรู้สึกอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะทําอย่างนี้หลวงพ่อก็ตอบเหมือนกันทุกวันแหละรู้ไปสิรู้ไปสิเสร็จแล้วก็ไปนั่งคิดมาใหม่วันนี้มันมาตรงนี้อีกล่ะตรงนี้จะทํายังไงดีเรารู้ไปสิท่องไว้นะ รูลูกเดียวอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวไม่ต้องนั่งถามเยอะเหมนก่อนได้ยินวิทยุของหลวงตาคนมาถามจิตผมปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นละนันแลนนหละเราท่านท่านฟังอย่้งท่านคนฟัตงต่อไปไม่ไหวบอกอะไรมันพูดแต่เรื่องอาการแม้ว่าไม่ฟังเสียวเวลาพูดแต่เรื่องอาการจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นนี้จะแก้ยังไง เอาหลัก ไ, ไม่ได้มัเป็นหลงแต่รายละเอียดติดย่อยหลักจริงๆก็คือรู้ปัจจุบันไปรู้กายลงปัจจุบันรู้ใจลงปัจจุบันคำว่ารู้ก็คือไม่เปิดใจลอยไปที่อื่นอย่ายรู้กายก็ไม่ใจลอยไปที่อื่นแล้วก็ไม่คิดเรื่องกายนะไม่เพ่งกายกคิดก็ไม่ใช่รู้แล้วก็ไม่ไปเพ่งกายน ะ, นะเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจใช้ไม่ได้รู้จิตก็เหมือนกัน ไม่เสือไปที่อื่นไม่ไปคิดเรื่องจิตไม่ไปเพ่งจิตเหมือนเหมือนกั น, นของง่ายง่ายง่ายทั้งหมดเลยเห็นจะ ย, ยากเลยตอนนั้นทำเป็นแล้วมันต้องง่ายชื่ออะไรหรือข้อหรืออีกละ่ะเออยยรู้สึกไปของง่าย่ยายรู้สึกอย่าทําให้มันยากนะข้อก็อาบังคับไม่เลิกแล้วก็เหมือนข้อภาษาไม้แบบฟาสเซนละ อ่าไม่งั น, ะนะวันไหนมันเพยงตีมันก็ตีจใจลอยก็ตีลงไปมือเด้งนะมือคนตีเดือดรู้สึกนะรู้สึกใจของเราชอบหนีไปคุณน้องอย่าเอาเรื่องอัตมาไปลงหนังสือพิมพ์นะไม่เอานะอยจะไปชวนพิมพ์ทั้งส่งหนังสืออะไรเงี้ยเนี่ ย, ยลงได้ายไม่เอาไม่ชอบนะแต่และองค์ปฏิปทาต่างกๆๆัๆๆนะ เราไปเรียนเนี่ยองไหนเราต้ออนุโลมตามท่านแไปไว้ต่อไปเราเป็นอาจารย์หญิงนะลูกศิษย์เราก็อนุโลมตามเราก็โยมก็ <c oughs> ไม่อยากเรียอะไรเลยไม่ชอบสงสารโยงแล้วตัวเองเคยเปิดโยมแล้วจนด้วยโอ้ <c oughs> ไปวัดแล้วโดนเรียอะไรนะจิตใจเศร้าหมองงั้นจะไม่ยอมเรียอะไรใครหรอกนะ